มาคุยกันถึงเรื่องพระเรื่องเจ้ากันหน่อยท่านผู้ฟังวันนี้จะคุยเรื่องอภินิหารท่านเจ้า องค์ที่ว่าไม่ถวายอดีเรกพระบาทสมเด็จพระ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปิยะมหาราชเสด็จประพาสยุโรปได้ทรงโปรดเกล้าให้ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับจึงทรงเลื่อนสมณศักดิ์ให้เป็นพระครูโปรด หลวงปู่เอี่ยมได้ถวายพระคทาอิติปิโสเรือนเตี้ยให้ทรงดึงหญ้าขึ้นมาเสกแล้วยื่นให้ม้ากินก็จะละพยศกลายเป็นม้าเชื่องให้ประทับเรือพระที่นั่งจะติดในวังวนหือน้ําวนสะดือทะเลเนี่ยหลวงปู่เอี่ยมได้ถวายผ้ายันต์สีขาวเมื่อเวลาเรือเข้าในวังวนให้ ภร pattern chest of n Eleon. ώς How who organization phr.Wa stage has remained this nation inounded by the world and live verwited by paid venue of strikes and had received a news sign in descendent against Kroonond. του lin structured by a house before making a statement to Kroonigate a messenger of Kroonomb control for his birthday. และก็สงถ่ายภาพbacks from Kroonibase coul polze with Hrs TV-1469. ber is sent to Kroonobose with bookst Commander in Kroonbose Tributo. า gets a reader that ในประวัติของท่านครั้งนั้นท่านไปทุรดง กลัวนำมาทําไมให้ๆอาจจะไม่ได้กลับไป แต่มันมีหัวใจคนมันรู้ว่าพระธุดงค์ไม่ใช่ผู้เบียดเบียนไม่ใช่ผู้ พวกโจรทั้ง 5 ก็พากันถอยเข้าป่าไปเพราะมันเริ่มประจักษ์แล้วว่าพระที่ อ่าอันนั้นเป็นเฮ้ยเสือสมิงมันปลอมเป็นพระเว้ยเพ่นเว้ยๆกับโกรธหลวงพ่อ พระมีแต่จะช่วยเหลือทำอันตรายใครหรอกโยมเอ้ยมีแต่จะ เพราะความเดือดร้อนน่ะโจรทั้ง 5 ก็รับปากกับ อยู่คล้องเผาถ่านนู่นหลวงปู่ถอนกรดเจ้าโจรทั้ง อยากจะมาขอเออองค์คุลิมานนคร เป็นพระเถระที่ท่านไม่เคยสร้างมาก่อนสุรินทร์แล้วก็ทั่วแดนอีสานเหนือๆมือแหละก้านไม้ขีด บางคนก็เอาไปทิ้งอย่างน่าเสียดายแต่คนที่เก็บไว้ จ่าหัวหน้าสายตรวจตระเวนก็เอาไปแขวนกิ่งไปขอรากไม้จากหลวงปู่แต่ท่านบอกว่าถ้าเคารพจริงคงจะไม่ยิงเล่นอย่างนั้นหรอกเอาไว้ วางกระเป๋าเงินกับเสื้อผ้าไว้รวมกันกระเป๋าเงินกับเสื้อผ้าไว้รวมกันพอออก <_ co> ในมือมีกระเป๋าสตางค์ที่ขโมยไปก็เดินออกจากวัดปากก็พร่ำเพ้อเข็ดแล้วไม่เอา พอตอนใกล้สว่างมีอ่ามารู้สึกตัวก็อยู่ใต้กินเหล้าหัวรา ตอนแรกก็ไปทำที่อื่นจนเค้ามาขโมยของที่หมู่บ้านพี่น้องประกาศตัดเป็นตัดตายเมื่อชาวบ้านระมัดระวังมากแล้วขี้ก็ตัดสินใจงัดวิหารในวัดภูก็ทุบตู้บริจาค พอรุ่งเช้ากรรมการวัดเห็นเข้าก็ไป ญาติพอมีกําลังก็ให้กลับไปโรงพยาบาลหมอตรวจอย่างละเอียดแล้วก็ แต่หลวงปู่ท่านบอกว่าเค้า มีการประทะกันอยู่เสมอวันนั้นทางการการระดมอ damaging 도ẩjarตีฐานปฏิบัติการของเพราะไป ที่เพราะ искรанийพ Alumni vrang cho슬จะบшим แต่กลับไม่มีเสียงระเบิด พอท้ายรถผ่านไปได้ประมาณ 30 เมตรก็เกิดเสียงระเบิดดังสะนั่นหวั่นไหวหากเกิดระเบิดตอนรถทัพเนี่ยคงจะตายกันหมด อส. เด่นตายก็ โดยชุดคุ้มครองหมู่บ้านประกอบด้วยทหารตำรวจ อส. เพื่อทำลายขวัญและก็กำลังใจเจ้า เพราะคำตื่นของหลวงปู่ทุกคนถึง